งมีเรียกลรวมว่านะให้มีความรู้ตัวเวลาเราทำอะไรก็ตามส่วนใหญ่เวลาเราทำเนี่ยเราทำด้วยกายนะไม่ว่าด้วยแขนด้วยขาหรือว่าด้วย อ, อวัยวะต่างต่างในร่างกายของเราก็ใหม้มีสติรู้นะเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวอีกการนึง ก, นก็คือว่าให้มีสติเวลาเราเจออะไรก็ตาม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 กายเคลื่อนไหวนอกจากทาแล้วนะชีวิตเราต้องเจอเจอโน่นเจอนี่ก็คือเกิดผัสสะนั่นเองเจอนี่มันก็มีทั้งเจอของที่ชอบและของที่ไม่ชอบนะประสบกับสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักรวมทั้งพัดพลาดจากสิ่งที่รักอันนี้ก็เรียกลมรวมว่าเกิดมันมีมันเจอนะเจอบวกบ้างเจอลบบ้าง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 อาจจะเจอยุงกัดนะก็อย่ามัวแต่ไปสนใจแต่สิ่งที่มันปรากฏกับเราหรือจะไปสนใจแต่สิ่งที่เราเจอไอ้ที่สําคัญกว่านั้นคือใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรใจมันคิดนึกอย่างไรมันมีใจมันกระเพิ่มหรือเปล่าถ้าทํา2อย่างนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเราปฏิบัติทำทั้งวันเลยทำอะไรก็ตามนะก็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 ไม่ชอบเนะเห็นผ้าที่ขึ้นสวยโอ้ยินดีเจอมรสุมเจอพายุกลัวไอ้พวกนี้หละเนะี่ยมันเป็นโอกาสที่จะให้เราได้ได้ฝึกสตินะอยวมัวแต่ส่งจิตออกนอกหรืออยามัวแต่จ้องมองสิ่งที่เราเจอหรือว่าย่ามัวแต่งเงียวหูฟังสิ่งที่มันเสียงที่มันกระทบหูอันนั้นก็จำเป็นอยู่นะเพราะว่า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 ถูกอนามัยมากขึ้นนะแต่ว่าก็ไปก็ไปพาดท่ากับของที่ชอบแบบอื่นเช่นชอบน้ำตาลชอบหวานก็เป็นยังไงก็มาเร็งเลยเอะเบาหวานชอบมันนะชอบมันนะพวกทอดก็โรคหัวใจนะไขมันในเส้นเลือดไขมันนะทำให้ เสลื่อยในสมองแตกบ้างละหรือว่าทำให้เป็นโรคหัวใจชอบอะไรชอบกินน้ำบัดลมกินมากๆเป็นยังไงก็เบาหวานบ้างละโรคต่างๆทั้งนี้เราตายกันเพราะของที่เราชอบนันกั น, ก น, กนทั้งนั้นนะไม่ใช่ตายเพราะสิ่งที่ไม่ชอบอเพราะว่าพอชอบแลยมัน ก, มนก็มันก็เพลินแล้วก็หลงนะชอบสบายก็เหมือนกันนะชอบสบาย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 ไอ้ความจำเจนี่ก็เป็นอนโทษนะอยู่กับความจำเจนมากๆเนี่ยถ้าไปเสพติดมันก็ทำให้นะกลายเป็นเพศว่ารากงอกนะล้วพอออกจากสิ่งนั้นไปก็เกิดปริโภธยนะผลิโภัคือความวิตกกังวลนะเช่นพออยู่วัดแล้วก็ติดวัดเนี่ยพอไปที่อื่นเนี่ยก็จะเกิดปริโภธยขึ้นมาอยู่แต่กุตเอพอจากกุติก็เกิดปริโภั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 เวลเราเจริญสติเนี่ยนก็พยายามนะใช้พยายามใช้ประสบการณ์ที่เราที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเราประสบการณ์นั้นเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำไม่ว่าทำแล้วก็ตามก็ให้มีสติรู้ถ้าทำด้วยกายก็ให้รู้นะเมื่อกายเคลื่อนไหวเวลาเจออะไรเนี่ยใจกระเพื่อมยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามก็ให้รู้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 อ่าข้ามเดียกันทันนี้นะครับ